พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเหลือเพียงเรื่องเ็วๆที่ยังไม่ได้สอนอลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันพฤหัสบวดีที่ยี่สิบกรกดาคมพุทธศักราช2560้ากบเมื่อวานเมื่อก่อนหลวงพ่อที่พูดให้ฟังหลวงพ่อไปที่ไหนแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็บอกว่าจะไปกราบคารวะหลวงปู่ทุยดงศรีชมพูก็ได้ไปแล้วนะ แต่ต่อไปกขาคงจะไปกลับคารวะหลวงปู่ลีผาแดงที่เป็นหลุนเพ่แต่หลวงปู่บุญมยยะโสธรคงไปไม่ไหวมันไกลเกินไปไปกลับก็คงจะห้าหกุ่มจะมาถึงวัดเราออกไปแต่เช้าคงไปไม่ ไ, มได้คงไปไม่ถึงไปเป็นภาระถ้าหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มคงจะไป แต่นี้เป็นพระอายุแก่ขนาดนี้แล้วจะไปตลอนตลอนไปแบบไม่คิดไม่อ่านไม่ได้ถ้ากลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปทีเดียวก็ไม่ว่าอะไรตายไปแล้วแต่เป็นเอามาพิกอัมาผานให้ลูกหลานได้ดูได้แลนไม่รู้จักประมาณในการเดินทางของตนเองนะหลวงพ่อมาคิดจุดนี้จะไปที่ไหนต้องคิดบวกลบคูณหารก่อน คิดว่าในแวดใกล้ๆนก็เออเอาไปเดี๋ยวนั้นก็ยังหลวงปู่ลีถ้ามีอะไรก็คงทำกองเพลงหลวงปู่บนหลวงปู่เพง่งท่านก็เป็นอามาูึกรรมาพาดหลวงปู่เพ่งหลายปีแล้วทำกองเพลงแต่เคยไปทุกครั้งกับไปเนี่ยไปกลับคารวะหลวงปู่ลีจากนั้นก็นเราก็ ไปกราบหลวงปู่เพ่งแล้วก็ขึ้นไปกราบพระเจดีย์ของปู่เขาทำของเพลนในพรรษาอันนี้ก็คือการาบคารวะตามประเพณีพอที่จะไปได้เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปกราบหลวงปู่หลวงชีชมพูหลวงปู่ทุยก็ ถามท่านว่าพระในพรัดของท่านมีเท่าไหรพ่พระมีอยู่สิบเก้ารูปนะพระของท่านท่านไม่รับมากนะแล้วก็มีสมณเณรหนึ่งรูปแต่หลวงพ่อสุธรรมเมื่อวานข้ถามว่าพระทั้งหมดมีอยู่สิบแปดพระของของพ่อสุธรรมนะก็คงจะเป็นนําหน้าก็มีคงจะเป็นธรรมสหายทนะี่ได้ยินได้ยินไหมลงธรรมสหายกับหลวงปู่ลี บปูรลีนี่ก็มากอยู่เจ็สิบกว่าองค์ตรงพอถามแต่ทําสยหายแต่ไม่ได้ถามแต่ได้ยินแต่คนอื่นพูดว่าประมาณร้อยกว่ารนะู้สิว่าทําสหายจะมากกว่าเพื่อนอง ป, ปูจะเรียนนะพระปีนี้แต่เมื่อวานก็ไปถึงประมาณทักเกือบบ่ายโมงนะลูกหลานเนะที่ยง ก, กว่า ไปถึงวัดหลวงปู่ทุยไปหลายวัดเมื่อวันแปดวัดมั้งที่สักถามดูว่ามีหลวงพ่อจูธรรมหลวงพ่อบุญมีท่านศักดิ์ท่านา น, นัตตนะและว้วก็วัดไหนวัดไหนรวมแล้วแปดวัดเมื่อวานกราบทําวัดท่านแต่เมื่อวานเนี่ยท่านให้ให้แนวความคิดเผ็ดมันพอสมควรแะาะท่านตําหนิว่า ทุกวันนี้สมัยทุกวันนี้นะวานะวัฒนธรรมไทยรู้สึกรู้สึกว่าเสื่อมถอยเสื่อมคลายเหมือนกับพ่อแม่ไม่สอนลูกหลานเข้าสู่วัดว า, าศาสนาสาธารณะแต่เป็นผู้หญิงก็น่าจะใส่พอให้งามตาอันนี้โอ้จักจะเกินไปลูกหลานทุกวันนี้ พ่อแม่ไม่สอนเอาวัฒนธรรมาทางต่างประเทศต่างชาติวัฒนธรรมทางตะวันตกเ อ, เอามาใช้ในเมืองไทยวัฒนธรรมของเมืองไทยวัฒนธรรมสวยงามตั้งแต่บโบ ร, ร, ราณถือกันมาแต่มายุคนี้สมัยนี้ลูกหลานทําไมพ่อแม่ไม่สอน ลักษณะนั้นแ่ะที่หลวงปู่ทวยพูดเมื่อวานเนแะต่พูดนะตาถ้าทําให้ทําใจให้เป็นกลางๆมันก็จริงนะ เ, เว้นเสียแต่ทาใจเข้ายุคสมัยอืนานาจิตตังนานาทัศนะนะแต่หลวงตามหาบัวเ น, นะ่ยกันก็พูดแบบหลวงปู่ทวยเนี่ยนะให้พวกเราไปฟังดูไปฟังดูที่หลวงตามหาบัวพูดหลวงตามหาบัวตำหนิท่านบอกว่านนะี่ยมันจะถึง วัฒนธรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเรื่อยๆวัฒนธรรมของมนุษย์ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายถือกันมาน่ะมันว่าไม่ดีมันจะกลับไปหาที่เก่าต่อไปมันก็คงจะไม่มีเสื้อผ้าถ้อไปมีเสื้อผ้าจริงๆมันหมดคุณค่านะมนุษย์เหมือนเห็นมาเห็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีเสื้อผ้านุนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันะนี้หลวงตาเคยเคยพูดนะ ถ้าพวกเราไปฟังอธรรมเทศนาของหลวงตาย้อนหลังหลวงตาพูดไว้นะลักษณะอย่างนั้นหลวงปู่ทุยก็พูดเมื่อวานค่ะนี่แหละแนวแถวหลวงตาเนี่ย่านเป็นพระผู้เฒ่าแล้วนะแต่หลวงปู่อินไม่ไม่พูดไม่เต็มปากเต็มคําเดี๋ยวลูกตาลูกหลานกลัวลูกหลานจะลงเมือนแต่แต่หลวงปู่อินก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับหลวงตาเห็นด้วยกับหลวง ูถุยนะแต่ถึงยังไงก็ต้องมีจริยธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีแต่โดยมากเมืองไทยของเราเที่แรกก็ไปชอบวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกพอไปเห็นโอ้เขามีกฎมีระเบียบดีมากพออยู่ไปอยู่ไปพออยยุแก่ขึ้นมาทีนี่ ขนาดเจ็ดสิบแปดสิบไปซื้อของในตลาดยังไม่มีใครหิ้วของให้ตัวเองขิ้ว ง, ง, งกเงินเงินมาทำอาหารเองพอทำไม่ได้เขาก็ออกไปไว้ที่บ้านพักคนชราเอาไปพักไปพักไว้บั่นคนชราพอไาเห็นจุดนั้นเท่านั้นนะเข้าเกียร์ถอยเลยนะพวกอายุมากขึ้นมาแล้วคิดถึงวัฒนธรรมไทยเลยเนีออเพราะว่าเหตุไรเพราะวัฒนธรรมไทย พอพ่อแม่แก่เท่าชรามาแล้วก็ลูกหลานต้องให้ความอบอุ่นไปมาหาสู่ให้ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีให้ความเขารักรักเคารพเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้คือวัฒนธรรมพุทธศาสนาวัฒนธรรมที่ถือกันมาแต่แต่โบ ร, โบราณแต่วัฒนธรรมของฝรั่งไม่เป็นอย่างนั้นพอทานอาหารเสร็จแล้วก่อนขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเป็นผู้มีพระคุณก็ไม่ได้ขอบคุณพ่อแม่นะเพรพ่อแม่บางทีก็คงจะน้อยอกน้อยใจแต่ถือเป็นประเพณีมาเป็นวัฒนธรรมมาพ่อแม่ก็ถือว่า พอกินข้าวอิ่มได้ของดีขอบคุณพระเจ้านะแต่คนไทยที่ไปเรียนหนังสือมาลูกลูกนะเข้าไปพูดลักษณะอย่างนั้นพ่อแม่พูดก็บอกไม่ใช่นะลูกนะพ่อพ่อแม่หาเงินมาซื้ออาหารให้กินแท้ๆนะไม่ใช่พระเจ้านะไม่ใช่พระเจ้าพ่อแม่ะ ไปทําการทํางานมา อ, อ, อาบเหงื่อตางน้ําได้เงินมาแล้วก็มาซื้ออาหารให้ลูกกินมันน่าจะขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพระเจ้าด้วยขอบคุณพ่อแม่ด้วยครับมันน่าจะถูกอย่างนั้นอย่างน้อยกับไปขูดขอบคุณแต่พระเจ้าอย่างเดียว อ, อก็ไม่น่าถูกเหมือนกัน่ะพ่อแม่หามาเลี้ยงลูกนะอันนี้คือคนไทยพูดสรุปแล้วก็คือคนไทยวัฒนธรรมไทย คือกรรมคือกรรมกรรมคือการกระทำเชื่อในผลของกรรมคือการกระทำที่เลี้ยงลูกมาน่ยก็ให้นี่ยนะให้ข้าน้ำโภชนาอาหารการบริโภคทุกอย่างได้มาจากพ่อจากแม่อย่างคุณหมอท่านหนึ่งสมัยท่านเป็นเด็กไปเรียนหนังสือกินนอนในโรงเรียนอาจารย์ก็บอกว่าให้มาถือเลสซะ เขเป็นผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่เขาจะมีศักดิ์ศรีเด็กก็มาถามพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่อนะบอกว่าจะเข้าพ่อก็ไม่ว่านะลูกจะเข้ารีดพ่อก็ไม่ว่าแต่ขณะนี้ลูกเนี่ยยังใช้จ่ายเงินพ่อแม่อยู่ยังใช้จ่ายเงินพ่อแม่อยู่พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่ วันนั้นต้องฟังคำพ่อแม่ก่อนต้องเชื่อพ่อแม่ก่อนในเมื่อลูกเรียนจบแล้วนะได้ทำการทำงานแล้วเป็นอิสระแล้วนะลูกจะนับถืออะไรเป็นหน้าที่ของลูกแต่ในขณะนี้พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่ก็ต้องฟังคำของพ่อแม่ถ้าหากว่าลูกไปเข้ารีติมันก็คล้ายๆกบ ไปขัดขืนแล้วว่าไปคนเดินคนท่าทางกับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะจะว่ายังไงไม่สบายใจถ้าพ่อแม่จะพูดอะไรไปก็ไม่สบายใจลูกไม่สบายใจเพราะนั้นในขณะที่ยังใช้เงินพ่อแม่อยู่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่อยู่ยังรับทุนจากพ่อแม่อยู่ลูกต้องปฏิบัติตามพ่อแม่ไปก่อน แล้วกัการใช้ใจ่ายอะไรก็ตามพ่อแม่มีจุดประสงค์อะไรพ่อแม่เพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือได้ศึกษาได้หนังสือให้อยู่กินอิม่มเลี้ยงลูกให้ดีแต่ลูกก็ไม่ควรจะเอาเงินพ่อแม่ไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเหล้าไปซื้ออาหารเลี้ยงหมู่เพราะไม่ใช่จุดประสงค์ของพ่อแม่พ่อแม่นี่ยมีจุดประสงค์อยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนหนังสือ แล้วก็อยู่ดีมีสุขตามอัตภาพถ้าหากว่าเราเอาไปใช้ใจ่ายอย่างนั้นแปลว่าใช้เงินผิดประเภทเอาเงินพ่อแม่ไปใช้ผิดประเภทเอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนซื้อเล่าเมายาเอาไปาปาร์ตี้ที่ไหนอันนั้นไม่ถูกเนี่ยในขณะที่อยู่กับพ่อแม่อยู่ต้องให้ถูกวัตถุถูกวัตถุประสงค์ของพ่อแม่แต่ถ้าหากว่าตัวเอง ทำการทำงานได้แล้วได้เงินเป็นส่วนตัวแล้วเราจะใช้จ่ายยังไงอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องจะจะใช้แต่ขนาดอยู่ในโอวาสอยู่ในกับพ่อแม่อยู่จะไปใช้อย่างนั้นไม่น่าจะถูกนะลูกนะอันนี้ก็ให้ลูกหลานทุกคนที่ได้ยินได้ฟังให้ฟังสังเกตเอาไว้นี่แหละทั้งเมื่ออยู่กับพ่อแม่ อยู่อยู่ในไตโอวาสอยู่เราก็ต้องฟังอย่างทุกสิทธิ์ของหลวงพ่ออินที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี้เหมือนกันในเมื่อมาอยู่กับหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินแนะนำสั่งสอนอย่างบอกกล่าวอย่างไรในโอวาทอยู่ในวัดของหลว ง, งพ่ออินอก็ต้องฟังหลวงพ่ออินพอมาศึกษาถ้าว่าพวกเราไม่ไม่ยอมรับในการศึกษาในหลวงในระบบระเบียบของหลวงพ่ออิน เราก็ออกจากวัดไปเราก็ไม่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ใช่จะเป็นนําสอนทุกแห่งทุกคนไม่ใช่พอออกจากวัดหลวงพ่ออินแล้วกต่จบพ่อไม่ได้อยู่ในโอไมอออ่อยู่ในปกครองแต่ถ้าว่าอยู่ในปกครองเนีเอาระบบอื่นมาใช้ในวัดของหลวงพ่ออินใช้แบบไม่ถูกใช้แบบถึงจะดีขนาดไหนก็เถอะนะ แต่ไม่อยู่ในกฎระเบียบของหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินกันนะจะต้องบอกกล่าวถ้าหาว่าท่านอยากจะทำอย่างนี้ท่านต้องออกไปที่อื่นอย่างที่หลวงพอ่อเคยมีพระมองหลวงพ่อครับผมขอไปปีกตัวภาวนาผมไม่ขอเข้าเวนจลาไม่เข้าเวนน้าร้อนได้ไหมหลวงพ่อก็ถามว่าท่านมาฉันน้าร้อนไหม ท่านมาฉันจังหันที่ศาลาไหมมาครับนะถ้ามาแล้วท่านไม่รับภาระไม่รับทุระในการมาอยู่ด้วยกันจะแสดงว่าท่านเอาเปียบหมูใช่ไหมกินแรงหมูใช่ไหมถ้าท่านทํางั้นไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าท่านมาอยู่ศาลามาใช้ห้องน้ําห้องท่ามาใช้น้ํามาใช้อะไรทุกอย่างแต่ทัก ท่านออกไปปีกตัวออกไปไปอยู่อย่างนั้นมันไม่น่าจะถูกนะท่านต้องมารับภาระช่วยกันเพียงเจ็ดวันไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะรับทุกวันถ้าบอกเป็นพระทั้งแปดองค์สองเดือนจึงรับภาระที่หนึ่งเจ็ดวันท่านยังรับไม่ได้ท่านจะอยู่กับใครล่ะในเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาท่านจะทํำยังไงถ้าลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่างองค์ก็ต่างอยู่ ท่านจะปกครองอยังไงเออเพราะตะก่อนผมเคยบวดเข้ามาแล้วผมไม่เคยทำกิจเยาวต์หรอกผมขอไปภาวนาของผมลูกศิษย์ของท่านพอบวดเข้ามาแล้วกผมขอไม่ทำธุระผมขอไปภาวนาท่านจะสอนเขาว่ายงไงท่านบอกเออใช่ทําอย่างนี้แหละที่ตะก่อนนะแล้วท่านจะเป็นวัดวาศาสนาขึ้นไปยังไงต่อไปภายภาคหนาสิ่งเหล่านี้มันต้องคิด ในเมื่ออยู่ในกฎระเบียบมันก็ต้องฟังครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนหมู่พวกเพื่อนทําได้แล้วก็ต้องทําต้องเสียสละไม่ใช่ว่าจะเห็นแก่ตัวอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อสอนพระสอนพระสอนเนนของหลวงพอ่อเนี่ยสอนอย่างนั้นนะพ่อหลวงพ่อได้รับการศึกษามาอย่างนี้ไม่ได้รับการศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วหลวงพ่อก็ต้องสอนลูกศิษย์อย่างนี้ถ้าเขาว่าองค์ใดก็ตาม ไม่อยู่ในโอวาทหรือไม่สมัครใจอยู่หลวงพ่อก็ไม่ได้เชเชิญไม่ได้เขียนให้พวกบอกประกาศว่าให้พวกท่านทั้งหลายมาสมัครกับเรานะเราก็ไม่ได้ว่ามีแต่พวกท่านสมัครสมัครใจมาเองเมื่อสมัครใจมาแล้วก็เนี่ยมาศึกษาใช่ไหมอาจารย์โยเมพันเตโหโหหิขอท่านอาจารย์จงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าอัจชะตะเคธานิเถโรท่านจงเป็น เป็นพระพวกผมเป็นภาระในการที่จะดูแลจัดการในภาระของท่านก็รับอย่างนั้นพวกองค์เพราะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ต้องสอนวิชาไหนที่จะเกิดประโยชน์อย่างที่หลวงตามหาบัวว่านวิชาดีๆเราสอนให้หมดลูกศิษย์ลูกหาแต่เราจะไม่สอนแต่วิชาเร็วๆนะแต่หลวงพ่อไม่กล้าพูดคานั้นออกมานะ วิชาเร็วๆแล้ ว, ลวเราจะไม่ไมไมสอนลูกศิษย์ของเรามีแต่วิชาวิทยาวิชาไหนที่เป็นวิชาที่จะเป็นหนทางต่อไปภายภาคหน้ามีการบริหารจัดการต่อไปภายภาคหน้าเป็นสงา่าราศีต่อวงการพุทธศาสนาเป็ น, งปนสงา่าราศีต่อตนเองต่อหมู่คณะต่อวงการพระพุทธศาสนาเราเราสอนให้แล้วนะ แต่วิชาที่เร็วๆท่านว่าเมื่อกับวิชาหมาเราเราจะไม่สอนให้ลักษณะอย่างนั้นลงตาท่านว่านะแต่มากกว่านั้นไปอีกลงตาพูดนะเพราะลงตาเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันแล้วะวิชาในความรู้แนวความคิดผู้ที่เข้ามาศึกษาก็หลวงพ่อก็ใช้แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างลูกเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่าว่าลูกตั้งอยู่ในโอวาทของพ่อแม่อยู่ก็ต้องฟังคําพ่อแม่ซะก่อนในขณะที่ตัวเองใช้เงินพ่อแม่ใช้กินข้าวน้ําโภชนาอาหารใช้แรงงานที่พ่อแม่ไปทําการทํางานมาเลี้ยงลูกไม่ใช่ว่าพระเจ้านะพ่อแม่นะควักเงินออกมาซื้ออาหารให้กินนะในเมื่อเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่เราก็ต้องฟังโอวาทพ่อแม่ เปดันทุกลังได้ยังไงนี่นแหละแต่พังบางทีพ่อแม่ก็เหลือเกินจริงๆเนะีเอาตามเอาใจลูกจนเกินไปมีอะไรก็ตามใจหมดทุกอย่างหลวงพ่อเนะ่หลวงตามหาบวชไหมแล้วหลวงพ่อตลงตามหาบวชปกครองลูกศิษย์นะทาองค์ไหนทำไม่ถูกที่ถูกทางขวางหูขวางตาทันชี้นิ้วทันทีเลย อย่านะอย่ามาให้เห็นอีกนะอย่าให้เห็นอีกนะเรื่องอย่างนี้นะอถ้าเห็นอีกนะไล่หนีจากวัดนะเข้าใจไหมห <laughs> ลวงตามหาวัวเพราะนั้นไม่ให้ใครกลัวก็ไม่ได้เถอะเกตขยาตะแต่บางท่านบางครั้งก็บางครั้งเราก็ได้กินคือบางสิ่งบางอย่างบางคนก็ไปฟ้องไปฟ้องท่านหลวงตาเจ้าค้าเนี่ย หม้อเนี่ยพระเน่ยเก็บไปที่อื่นหมดอไปไว้ที่อื่นจะเก็บไม่ไม่ให้อไม่ได้ดูว่าเป็นหม้ออะไระพระทําทไมปไปเนี่ยเดี๋ยวพราอะไรอย่างนี้อย่างว่าพรามาไดเ้เหอะมันไม่สังเกตสังการขนาดนั้นได้เหอะองค์ไหนเนี่ยคือยังไม่ได้ถามพระเจ้าก่อนว่ามันจริงไหมแหละอพระเนี่ยที่หม้อของเขาเก็บไว้ที่ไหนจริงไหมเป็นยังไง ล่วงตาไม่ได้ถามเละด่าจนพอแรงเอยพระกันกับปนมมือโอ้ยไม่ได้เก็บไปที่อื่นนอกจากผมเห็นมันเกะกะนะเก็บไว้ในโกดังข้างๆนี่แหละเขาไม่มาเก็บของจะทําทไงอยาจะให้เก็บไว้ที่นี่ก็ไม่ได้มอมันตั้งเยอะแยะไอค้คนที่คนที่มาจังหันแนละ้วกัเอาของมาเลยเก็ไม่มาเก็บไม่มาเก็บแเราจะทําทไง อเกินเกินไว้ในซาลายก็ไม่ได้พาก็เลยเก็บไว้ในในห้องเก็บของให้มิดชิดกับผลที่สุดไม่เห็นที่ไม่เห็นหมอ้อตัวเองกับมาฟ้องลุงตาลุงตาก็ไม่ได้ฟังด่าพระเออนี่แหละหลงุลงพ่อบอกว่าจําเลยเจ็บตัวเลยเอจําเลยก็บอกมาทีหลังมันอยู่ในห้องใ น, นกับผมนะไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเพราะเจ้าของก็ไม่มาเก็บสักที ก็เลเก็บไว้ในห้องเนี่ยรอเจ้าของเขาเก็ไปเปิดด้วซี้เนี่ยไปเปิดก็เต็มอาญาอยู่ในห้องบ้านเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ออกแต่ลงตากระด่าพระไปแล้วทังนี่เออมันไม่ใช่ดา่าหน้าต่อหน้าคนจงคนมันพระเต็มคนเต็มศาลาแล้วคนทั้งหลายโอ้ตายครูบาวนี่แย่มากเลยเออของเขาเไม่เก็บให้ของเขาทําให้ของก็เสียหายเนะ่ ไปแหละเรื่องราวนี่แหละอืหลวงตาเนี่ยอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นโค้งสุดท้ายที่หลวงพ่อเข้าไปดูแลปุณณบัตรหลวงตาตนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงปานหลวงพ่อเนี่ยเหมือนพระเตมีเตมีใบ้เลยนิ่งเงียบแต่ขนาดนั้นก็ยัง <c oughs> เขายังแสลบมาไม่รู้ว่ากี่ดอกเหมือนกันนะกลูงกระสุนนะแต่หลวงพ่อก็ไม่พูดเฉยเหมือน หูมันจะยินตามไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นะถ้ามีอะไรห่างๆไปก่อนเนละทําไมยังพูดอย่างนั้นพราโค้งนะั้นเป็นโค้งสุดท้ายแล้วหมดโอกาสที่จะแก้ตัวอถ้าวัดเขาไปฟ้องหลวงตาลงตาเจ็จหลวงพ่ออินทําอย่างนั้นกลางอย่างนั้นมาอยู่ในวัดอดอกบอกก่าวพระเนนกางนะหลวงพ่ออินนะไม่ควรจะให้หลวงพ่ออินเข้ามาท่านอาจารย์อินเข้ามาเกี่ยวข้องนะั่น หลวงตาได้ยินท่านนอะหลวงตาใครผู้ใดฟ้องก่อนผู้นั้นชนะใช่ไหมล่ ะ, ะท่านก็เป่งออกมาฮะทำบินอย่าเขามายุ่งกับเรานะเราจะตายคนเดียวท่านอย่ามายุ่งหนีออกไปนะเราจะมีโอกาสแก้ตัวได้ยังไงท่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเอีการความเจ็บป่วยของท่านเพราะนั้นหลวงพ่อคิดนะหลวงพ่อเป็นนกรู้ที่เดียวเราพูดทาจะว่าไปแล้ว ห้องตาเขารู้จักทางหนีทีไล่ทีเดียวเลยเนนะอันนี้ก็คือเล่าบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดพอาา ม, ามาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้แนวความคิดนะอย่างอย่างที่นะอย่างโค้งสุดท้ายหลวงพ่อเราพูดเมื่อวานะไปพบกับหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญมีท่านซักหน้าแค่ หลวงพ่อก็เลยมาพูดกับท่านชูธรรมท่านบุญมีวันนี่กับท่านศักดิ์นั่งตงนี้ท่านเสงียงเนี่ยท่านจะจะจะจุดเผาประชุมเพลิงดวงตาเร็วๆนะไม่ต้องรอใครเพราะนั้นพอท่านเสงียงท่านมรณภาพที่โรงพยาบาลรามาเสร็จแล้วเขาเขาเอาขึ้นอศพของท่านขึ้นมาท่านก็บอกว่าไปเผาที่ผาแดงเนอะพอท่านเคยจําภาษาที่ผาแดงพอวัดของท่านดูๆแล้ว ท่านก็เป็นวัดน้อยๆท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งตับนะพอมาขึ้นมาถึงมานห้าโมงมะพอห้าโมงหกโมงน่ะหลวงปู่ลีท่าบอกเอ้าเผาเอาไว้ทำไมทำปลาล่าปลาจอมกินก็ไม่เป็นพระตายแล้วก็ต้องเผาเท่านั้นแหละเอา้าโอ้มันเอาไว้พวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวหลวงปู่เดี๋ยวหาฟืนไม่ทัน พอเขามาเอาเผาไว้ทําไมปู่ในสูตรตรงปู่สั่งก็เลยเผามา ว, วันนั้นมาตรงปู่รียังสั่งอีกว่าเอาบอกให้อาจารย์อินมานะเราเตรียมผ้าไว้อยู่นะท่านเตรียมผ้าใหม่ไว้ให้ผ้าเป็นผ้าซักผ้าบางสกุลนะอวันนั้น่ะหลวงพ่อก็ได้เข้าไปพอหลวงพ่อไปงานกาบคารวะท่านเจ้าขุนหกโมงพอดีตอนใกล้คำ่ำใกล้แล้ววะ่ะ จากจังหวัดอุดรไปหาวัดผาแดงเน่เพียงยี่สิบกิโลเองเอา้ายังไงเขาไปนี่ก่อนหลวงพ่อก็เลยไปไปกองงพ่อก็เป็นผู้ชักชักาบางสกุลพราไตจเสร็จแล้วหลวงพ่อเป็นผู้เป็นผู้วางเพลิงเป็นผู้จุดไฟในเตานะแต่พอมาถามที่หลังบอกโอ้ยไฟมันไมมมันไมมันน้อยฟืนมันน้อยวะ่ะ เผาจะไม่ไม่เอาจนได้หาฟืนเพิ่มอีกท่านสักผู้ได้ฟังเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะอั น, นี้สงของท่านเสียงเนี่ยเร็วแด้มาขณะ จ, จะมันจะไปไปชมเพลิงหลวงตามแบบเร่งด่วนรีบด่ว น, นอพอตัวเองมากพอตายปุ๊บก็ได้เผาทันทีเลยอันี้สงทัน ป, ปัจจุบันเลยเนยหมู่พวกเพื่อนเห็นไหมเนี่ยน่ะผู้ใดทำอันไหนไว้ก็ได้รับ ผลดีไหมก็ดีเก็บไว้ทำไมอย่างหลวงปู่ลี่พูดนั่นแหละดีแล้วไม่ต้องเก็บไว้นานเก็บไว้เพื่ออะไรพอตายแล้วก็เผาแล้วนะเก็บไว้ทำไม <c oughs> อันหลวงพ่อพูดอย่างงั้นเมื่อวานมาพูดแล้วก็ยังนึกข่ามาอยู่เหมือนกันพอเห็นเหตุการณ์ในในวันประราททานเพลิงชลีละสังคารหลวงตาพนะระพุทธเจ้าบร ม, มครูของพวกเรานะ พ อ, อ, อมันลักษัสั์กุชินาลานะพอยกเหีบขึ้นไปเชิงบนเชิงตะกรนด้วยไม้จันทร์ไม้หอมนาน า, นาชนิดนะเสร็จแล้วมันลักษัตร์ก็เอาไฟจุดเลยเออพ อ, อไฟจุดเทวดา ที่ดูแลรักษาอยู่พอจุดเข้าไปเหมือนเับเอาไฟจีจ้เข้าไปในในน้ำนะจี้เข้าไปได้ดับเอาดับเอาแต่นีนพวกมันลักลอ์เอาไฟจี้เข้าไปมันมันดับมันไม่ติดนะพระอนุรุทธะเทระนะท่านบอกว่าเออเทวดาเขายังไม่ให้จุดนะ ยังไมให้เผายังให้ประชุมเพลิงแต่มียังไม่ให้ถวายพระเพลิงเพราะว่าพระมหากรัตปะยังกําลังเดินทางมาจากเมืองปาวานะอีกเจวันจากนี้ไปพระมหากรัตปะจะมาถึงกับบริวารทั้งห0าร้อยองค์ที่เป็นบริวารของพระมหากรัสปะเพราะนั้นลอกอดจากนั้นพวกมันรักษาตรกันเลยหยุดจากนั้นพระ มหากัจจปะก็ เ, เดินทางมาจากเมืองปาวารพระมหากัสจปะวันนั้นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานตอนใกล้รุ่งดอกมณฑาตกมาบนสวรรค์เท่ากงกงเกวียนคือวงเกียงตกมาจากบนสวรรค์ออันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าประชุดตรัสรู้เท่านั้นแล้วก็ปรินิพานพระมหากัสจปะเอออันนี้มันเรื่องอย่างนี้มันพระพุทธเจ้าปรินิพานเฉลมิมมัง พอทราบข่าวใส่เมเรื่องเล่าดังกว่าวิทยุโทรทัศน์ทุกวันนี่นะจากนั้นพระมหากรสปพาบริวารห้าร้อยเดินทางมาจากเมืองปาวาพอมาถึงพอมาถึงนะอภิพิเนหานไะพระมหากรสปก็ขึ้นไปขึ้นไปกราบสลริละของพระพุทธเจ้าตัางฝาพระบาทนะพอณนเะห็บ เปลกหีบพลิกออกมาพระบาทของพระพุทธเจ้าโผล่ออกมาจากจากหีบอจากหีบเหล็กนะพระมหาคตปะก็ได้เอาหัวศีรษะของตัวเองเขาไปใส่ฝาพระบาทของพระพุทธเจ้านะพอเขาไปสาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วกราบคารวะเสร็จแล้วพระบาทของพระพุทธเจ้าก็หุบเข้าไปเนี่ย ในเห็บน ะ, ะพินิหารถา้าเราพูดตามพระอันนี้จะทำเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้มันสุดวิสัยนะเป็นวิสัยของพุท ธ, ธาจากนั้นพอหูบเข้าไปแล้วทีนี้พวกมันลักกรสัดไม่ต้องไ ม, ไม่ได้ใช้ไฟเลยเป็นไฟของเทวดานะนะพอน้นเส้เทวดาเป็นผู้ถวายประเพงเองจุดไฟเพิบไฟคำไม้ ถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเทวดาที่จุดที่ถวายพระเพิงวันนั้นที่ถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทิชนหรือเป็นพระอรหันตน์ก็ไม่มีตำราเขียนออกมาไว้อีกเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันนี่อันนี้ก็เป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาต้องฟังเอาไว้ ใ ห, ให้เราไปอ่านดูในพุทธประวัตินะปฐมสมโพธนะินี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดมากหลากหลายสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษย์ยาวนิสิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารยา์ต้องฟังด้วยเหตุฟังด้วยผลฟังโดยการศึกษาแล้วก็นำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ เ, เป็นประโยชน์สิ่งที่พรนะพุทธเจ้านมีไหมก็มีเราไม่แต่ยกมือไหว้าสาธุผู้ใดไปชุมเพลิง ไม่เป็นไรขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่งสิ่งที่จะทําให้เราก็คือเผากิเลสในใจตรง น, นั้นแหละเผากิเลสในใจของตนเองนะนั้นเลิศประเสริฐที่สุดนะอย่างอื่นก็เป็นของพิเนหานเป็นแนวของพุท ธ, ธเป็นแนวของพระอริยสงสาวกของพระองค์ท่านแต่ในใจของเราเรามีกิเลสไหมถ้าเรายังมีกิเลสอยู่นั่นแหะอย่าไปชะลาใจนะต้องพยายามตรวจตราดูตนเอง พยายามกำจัด ก, กิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวน่ะเลิศประเสริฐที่สุดนะอาตอนนี้ไปรับพรนทัทนี้นะหลวงพ่อพูดยาวเลยวั น, น